بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل l وصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ر ض ي ت بالله رب بن إسلام دينا وبمحمد رسول ربشرح لي صدر و ي س ر أملي وحل أقدام ن لساني يفقه ق و ل ي Allahumma innana nasaluqain minna fi anwarizkan طيبا وعمل متقبل يا رب ا ก ع ا ل م ي ن Allahumma fakihu في الدين وعلمه جايين a s s a l ร m u alaikum ورحمة الله و ب ر ا ت ه ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีเจ้าลอสุบฮานหัวตายและประสบแดดพี่น้องที ah uh. ่มาเรียนกุรณาทุกๆกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละ วันนี้นะก็จะมีการาบรรยายศาสนาธรรมหลังจากเรียนกุรานด้วยนะครับเป็นสองคาบนะเดี๋ยวคาบแรก เ, เรียนกุรานพร้อมความหมายนะครับแล้วก็ประมาณถึงประมาณสิบโมงนิดๆ น, นะหลังจากนั้นสิบโมงเป็นต้นไปก็จะเป็นบรรยายศาสนานะครับ่เาเริ่มอา่านใน สุรอัลอารอฟจ้ะอายะที่หนึ่งอสวากลมูซายาฟฟรอาอูนอินนีรอซูลุมมิรับบิลอาลมีนอายะที่หนึ่งยสนะยุสตีเกาสุรอัลอารอฟสุรอลำดับที่7จ นะครับเรื่องราวของนาบีมูซาอเลิสลมอ่ะเริ่มต้นที่ฟาติฮาก่อน أعوذ ب ا ل ل ิ م ั الشيطان ا ل ر ج ีม ب ิ سم الله الرحمن الرحيم a l h a m d ل ه i l l a ع i l l a d i l l a m i m al-Rahman m a l i k i Yaumid Din. Ia karena na'budu i Abu n Iyaka Duwai, y a k a n a s t a i n Ihdin as-sirat al-mustaqim. ส ا รَต ل َล ذ ِ ي นَ أ นอันَ م มตَ عليهم ل รّ ذ ِ ي ن ิ أ َْู عليهم ولا الضالين อเมนอาบูบิลลาฮิมินอิชชัยตานิรจิบ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 พ قيقة แล้วฉันจะบอกว่ ل ฉัน ا ل กคุณมากที่สุด ทุกุมบีไบยินติมมิรับบิคุมฟาอัลซิลมาีบนีอสร อิ่ง ت ว ج นตาจีตาบีอายะเต็มฟัดตีบีฮอิตม่น้ดีกิ فالقاصه فإذا هي ثعبان مبين วَ ع َ ي َ د ด ه ُ فإذا هيبيضاء للنازرين วَ ع َ ي َ د َ ه ู فإذا هيبيضاء للنازرين อะมาดูความหมายกันนะครับ หลังจากอายะที่หนึ่งร้อยสามนะอัลลอ์สุบฮานาหัวตาละได้นำเรื่องราวของนบีมูซาและก็คู่ปรับของนบีมูซาเนี่ยก็คือฟิรอุนฟะิรานนะซึ่งฟิราวนนี่ก็จะมีอำมาตที่ปรึกษาชื ah ่อวาหามานนะนี่ตัวตัวไม่ดีทั้งคู่เลยแต่ฟิรอุนนี่เป็นกษัตริย์ที่สถาปนาตัวเองเป็น เป็นพระเจ้ า, บ, าบังคับให้คนที่อยู่ใต้การปกครองของเขาเนี่ยกราบไหว้ตัวเขาเองเรียกว่าเขาเนี่ยเป็นพระเจ้าสูงสุดคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระเจ้าตีตนเสมอเ ส, สมออัลลอ์เลยดังนั้นเมื่อเวลานาบีมูซาอะลฮิสลามซึ่งถามว่าก็มีความคุ้นชินพอโตมาในวังด้วยกันเนี่ยน ะ, ะมาเรียกร้องให้ เคารพสักการะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาละเพียงพระองค์เดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเสียหน้ า, าและก็เป็นการสูญเสียอํานาจแต่แน่นอนว่าบั้นปลายสุดท้ายเนี่ยฟันจุดไก่แฝกแงากีบตุลมุฟซีดินอันนี้รนะ้อยสามนะจงพิจารณาดูเถิดว่าบั้นปลายของบรรดาผู้ที่ก่อความเสียหายบรรดาคนที่ทําความผิดความชั่วต่างเนี่ยบั้นปลายของพวกเขาเป็นอย่างไร นะพรอัลลอฮฺสุบฮานาห์วาตาลาก็ลงโทษตั้งแต่ในโลกนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นคนรวยอย่างกอรูณคนที่บ้าตําแหน่งอย่างฮามานหรือแม้กระทั่งคนที่หลงตัวเองว่าเป็นพระเจ้าอย่างฟิรโรห์นนะครับแล้วก่อนหน้านี้ก็กลุ่มชนต่างๆที่ทําการละเมิดนะปฏิเสธนะการปฏิเสธสารที่อัลลอฮฺสุบฮานาห์วาตาลาส่งผ่านมากับบรรดารอซูลของพระองค์ อายะที่104รอัลลอฮ์บอกว่าวะกอละมูซานะเลา่าจะเล่าเรื่องนบีมูซาและมูซาก็ได้กล่าวแก่ฟิโรจนว่าอินน um ีรอซูลมิรับบินาและมินแท้จริงฉันคือศาสนาทูตที่มาจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกฮากีกุลแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นความถูกต้องฮากีกุลฮักนี่แหละ สิ่งที่เป็นความถูกต้องทั้งหลายเนี่ยอัลลอฮฺอักูลาละลอฮีอินละฮักสิ่งที่เป็นความถูกต้องเนี่ยในการที่ฉันจะไม่กล่าวเกี่ยวกับอัลลอฮ์นอกจากเป็นความจริงเท่านั้นการที่นบีมูซานําบัญญัตินำทำหลักทำคําคสอนมาบอกกับฟิรูฮฺเนี่ยไม่ได้มาจากความรู้สึกนึกคิดของท่านเองอยากจะ คนล้มอำนาจของมูซาอยากจะขึ้นตอยากจะตั้งตนเป็นใหญ่ไม่ใช่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นวาฮีเป็นวาฮยูมาจากอัลลอ์นะซุบฮานะฮุวตาตัยและที่เป็นหลักธรรมคำสอนมาตักเตือนคนที่กำลังหลงผิดคนที่กำลังท้าทายต่อดีฉานุภาพของลอ้นั่นหมายความว่าท่านอบีจะไม่พูดอะไรออกมาเว้นแต่สิ่งที่เป็นสัจธรรมเท่านั้นเป็นความจริงเท่านั้น กดตุุมบบยินะทิมิรบบิุมฟอรซิลมาียบานอิสรอลที่จริงฉันได้นำหลักฐานจากพระพัวพิบาลของพวกเจ้าเนี่ยมายังพวกเจ้าแล้วมีเครื่องหมายมีหลักฐานการที่นบีมูซาบอกว่าฉันเป็นรอซูลเนี่ย เครื่องยืนยันการเป็นรอซูหรือเป็นนบีก็คือการมีปฏิหารก็คือมอญิซาดนั่นเองนะฟาอรสินมาอียะบานีสรอีนจงมอบวงวานบานีสรอินเนี่ยนะไปกับฉันด้วยเถิดเขาก็คือฟิร์โอนบอกว่ากอลลอิงก ta ุนตตจิตบ ah ิอายตินฟัติบิฮา หากว่าท่านก็คือนบีมูซาเนี่ยนำหลักฐานใดๆมาก็จงนำมันมาเถิดอินกุนตามินาซอดีกครนหากท่านอยู่ในหมู่ผู้ที่พูดจริงอ่าฟรอองูนก็บอกแสดงมาเลยถ้าว่าเป็นรอสูนจริงก็ทำให้ฉันเห็นหน่อยสิว่ามีอะไรเป็นเครื่องเป็นหลักฐานยืนยันในคำพูดของท่านคำว่าปล่อยบานิสรออีนหรือว่ามอบบานิสรออีนเนี่ยคืออะไร จงปล่อยให้พวกเขาเนี่ยเป็นอิสระจากการเป็นทาสเพราะว่าการที่ฟิโรูเนี่ยก่อสร้างอย่างที่เห็นนะไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆเทเบรูปต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้ใช้พวกเขาก่อสร้างเนเ่ยพวกเขาก็มีพวกคนที่เป็นอียิปต์เดิมเนี่ยเขาไม่ใช้เขาใช้บริษัทรออีนนั่นแหละเป็นแรงงานทาสซึ่งเป็นแรงงานที่มีการขู่บังคับขู่เข็น และก็ทรมานนะเยี่ยงสัตว์เลยใช้ทําวันป่วยไม่มีการรักทรงรักษาไม่มีลานะใครทําไม่ได้ตายอ่าแบบนี้เป็นการกดขี่กลมเ็งและบังคับด้วยให้บันิซออีนเนชื่อว่าฟิตโองเป็นพระเจ้าก็ปล่อยตรงนี้มาคำว่าปล่อยตรงนี้ก็หมายถึงปล่อยให้พวกเขาได้กราบไหว้ในสิ่งที่เขาเคารพพักดี เช่นเดียวกับที่พวกท่านเนี่ยก็เคารพภักดีคือต่างคนก็ต่างเคารพภักดีกันไปแต่ไม่ใช่คุณเนี่ยเชื่ออีกแบบหนึง่งแล้วก็มาบังคับให้เราเชื่ออีกแบบหนึง่งนะเพราะคนที่เป็นบันิสร อ, อีนนี้เนี่ยเป็นผู้ที่สืบเสื้อสายมาจากอิสรออาเอลนะก็คือผู้ก็คือนบียะกร บันิอิสรอีนอิสรอีนก็คือคือยะกูบครับอา่าอิสรอีนก็คือยะกูบนะซึ่งนบียะกูบก็เป็นลูกของนบีอิสลากนาบีอิสลาม ก, ก็เป็นลูกของนบีอิบรอฮีมอะลายัยฮิสสลามอ่าซึ่งเดิมต้นเดิมของอ่นานบีอิบรอฮีมเนี่ยก็แน่นอนว่าต้องเคารพสักการะต่อรอบเพียงพระ อ, องค์เดียวอนะ่อันนี้บันิอิสรอีนนะ ที่ยังเป็นยังดีอยู่นะตอนนี้นะให้ให้ให้ให้เคารพพักดีต่ออัลลอฮ์าตาลาเขาฟิร์เอาจึงกล่าวว่าถ้าหากได้นำหลักฐานมาก็มาเอามาให้เห็นนะเพื่อที่จะได้ทำตามที่ได้กล่าวอ้างนะครับเสร็จแล้วพี่น้องครับนี่คือมวยีสาต์ของนบีมูซาฟาอัลกออาซอนบีมูซาจะมีไม้เท้า นะีไม้เท้านะครับฟาอีลาฮิยัซับานุ ม, มูบินนบีมูซาก็โยนไม้เท้าของเขาออกไปทันใดนั้นมันก็กลายเป็นงูใหญ่จริงๆเนะีซัวบานตรงนี้เนี่ยอ า, อาลีบินอบบิตันลานำมาใจ่โนอาบาสบอกว่ามันคืองูตัวใหญ่เพศผู้อ่าเป็นงูตัวใหญ่เพศผู้กลายเป็นงูจริงๆเลยในฮะดีสอีกบทหนึง่ง บอกว่ามันกลายเป็นงูที่ตัวใหญ่มากอ้าปากเลื้อยไปอย่างรวดเร็วไปยังฟิโตนและเมื่อฟิโตนเห็นเนี่ยนะว่ามันเลื้อยเข้ามาเนี่ยก็ก็โจนลุกด้วยความตกใจและก็วิงวอนขอกะมูซาว่าหยุดไอ้งูตัวนี้ทีเดี๋ยวมันจะมากัดฮามูซาจึงสั่งให้งูเนี่ยหยุดอเจอของจริงไปแล้วอสุดดีรายงานต่ออีกบอกว่าซัวบานตัวเนี้เป็นงูเพศผู้มันอ้าปากกว้างมาก ปากล่างเนี่ยนะอยู่กระดินส่วนอีกปากบนเนี่ยอยู่สูงเท่ากับกำแพงวังโอ้โหไม่ำบัญชาใหญ่จริงๆงูใหญ่เลยอ่าไม่ใช่ ง, งูต่อกับแป๊กหนึ่งอ้าปากทีนะปากล่างอยู่ที่ที่ดินส่วนปากบนเนี่ยอยู่ที่กำแพงอ่า น, นี่มถึงว่าฟิโตมันโดดกระโจนเลยหนีเลยเจอทีอ้าปากใหญ่มากอันนี้เป็นบันทึกโดยมัมตบบรีมีขดิษงานหมดนะ ต่อมามันก็พุ่งเข้าไปหาฟิตูนอย่างรวดเร็วเลยเมื่อฟิตูนเห็นมันก็ทําท่าทางตระกลูลตกใจตะโกนร้องอย่างหมดท่าเลยบอกมูซาหยุดมันหน่อยฉันเชื่อท่านแล้วฉันเชื่อท่านแล้วฉันจะปล่อยให้วงไวอิส ร, ร อ, อีนเนี่ยไปกับท่านมูซาหยุดมันหน่อยพอฟิตูนบอกแบบนั้นนบีก็เรียกงูกลับมาแล้วก็พอมาอยู่ในมือปั๊บก็กลายเป็นไม้เท้าเหมือนเดิมนะ ดําลัดตรงนี้เนี่ยเป็นบันทึกโดยอตัตตบร์นีนะครับแล้วก็มีอีอี อ, อันหนึ่งที่เป็นมวยิสานวานาซาเอเดหูวานาซาเอเดหูฟาอีเดฮียาไบรออูลินนาวซิรินและเมื่อเขาชักมือของเขาออกทันใดนั้นมันก็กลายเป็นสีขาวบริสุทธิ์แก่บรรดาผู้ที่มองดู มีบางพวกนะเป็นพวกบิดเบือนกุรานเนี่ยบอกว่ามือของนบีมูซาเนี่ยที่เป็นสีขาวเนี่ยเพราะเป็นโรคด่างอ่ามีพวกหนึง่งนบีข้ามทะเลก็บอกว่าอ๋อข้ามช่วงน้ำน้ำมันลดไม่ทะลงทะโลทะลงยงทะลงแยกอะไรเนี่ยทะเลแยกก็เลยไม่ใช่หรอกนะ้ํา้ำลดพอดีมีอยู่พวกหนึง่งบิดเบือนกุรานนะไม่เชื่อในเรื่องของโมจีศาสตรแปะตีให้เป็นเรื่องวิวทยาศาสตร์ไป น้ำลดมือเป็นโรคด่างนี่แล้วถามว่ามันจะเป็นเรื่องมหัศจรรย์ยังไงมือเป็นโรคด่างกี่ <c oughs> นะเออเป็นด่างขาวเอามาอา่านเอามาบอกในกุรานเป็นสิ่งมหัศจรรย์อะไรไม่ใช่นะอ่าเดี๋ยวเราเขาบอกต่อว่าเอามือของเขาออกมาจากเสื้อกเกาะหลังจากที่เอามันเข้าไปอ่าเอามือเนี่ยสอดเข้าไปในเสื้อกเกาะแล้วก็เอาออกมาจากเสื้อกเกาะ ทันใดนั้นในมือก็กลายเป็นมีประกายออกมาโดยมือของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นโรคด่างเนี่ยบอกไว้แล้วมีคนบอกเป็นโรกเป็นโรคด่างจริงๆไม่ใช่มือไม่ได้เป็นโรคด่างหรือป่วยแต่ประการใดอัลลอฮฺตาอฺแหละบอกว่าวะอัลเดคินยะเดกะฟีจันบิกะตะฮรุจะบดออามินไกริสูอันนี้อยู่ในอัรลอฮฺอันน้ำล่ะ และจงสอดมือของเจ้าเข้าไปในกระเป๋าเสื้อของเจ้ามันก็จะกลายมันก็จะออกมาขาวปัศจากอันตรายใดๆหมายถึงไม่ได้เป็นโรคด่างขาวนะแล้วเมื่อเอามือกลับเข้าไปแขนยังแขนเสื้อเหมือนเดิมเนี่ยมันก็กลายเป็นอย่างเดิมมันไม่ใช่ว่าพอใส่เข้าไปปั๊บแล้วเป็นโรคปุ๊บเรากลอยู่อย่างนั้นเพราะโรคเนี่ยมันมันมันต้องค้างเลยแต่นี่มันเป็นรัศมีมันเป็นสีขาวเป็นประกายพอเอากลับไไว้ที่เดิม ก็ไม่ก็หายแหละอ่าเป็นโมจีจ่าจะทําให้เห็น บ, บังคับนะอ่าเขาเรียกอะไรให้เห็นได้แล้วก็ให้หยุดได้เหมือนกับไม้เท้านี่แหละอ่าไม้เท้าโยนไปก็กลายเป็น ง, งูแต่ถามว่าจะเรียกกลับมาเป็นไม้เท้าได้ไหมได้เรียกกลับมาก็กลายเป็นไม้เท้าไม่ใช่ทําปั๊บแล้วก็อยู่กันเลยนะอ่านี่ก็คือเรื่องของ โมจีศาสตซึ่งฟังตรงนี้เนี่ยดูเหมือนจะดีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าฟิโรเนี่ยมันกลัวแล้วมันก็เชื่อแล้วเนี่ยแต่คราวนี้มันจะไปเสียตรงไหนล่ะเดี๋ยวอ่านต่ออ่กอลมาลอูมนกูมีฟิรอูนอินนาฮาดาลสาฮีรุอลีม يريد أ ุ ي ُียยขรจ أ คุมในอารุ ف ิ م ุมเเฟ จีห์ว و อัครหูวะอาร์ซ um ิลฟิลมาดัยนิพาชิ ر ินยา َأْتُوكَ بكل สาเِ ير َัลลิม ك َ بكل สَเِ ير อَลลิมว่าสาเหรอทْฟَร์งอนก ا ่าวอิَนัَนาล أ َ ج ْ ر ً ا กอลูอินนาลาลาอาจ ك ُ ن َอ ا ن ค ال ุณ ن ُ ا ل ْ غ َ ا ل ِ ب ِบ ن َ ตอวอ่า น, น, น, นันา่งม์ว่าอนักุมาูรบอมาดูความหมายนะครับเมื่อกี้นะ เมื่อกี้ที่เราแปลกันเนี่ยพอนาบีมูซาแสดงให้เห็นถึงหลักฐานก็คือมอดีษา์มอดีษา์นี่คือสิ่งมหัศจรรย์นะฮะส่วนมายากลเนี่ยมันคือการใช้การหลบตาใช้เทคนิคในการบังตาแต่ถามว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงไม่ไม่จริง ใช้อุปกรณ์น่ยมายากลนี่ก็เล่นกันทุกวันเนี่ยมันมีอุปกรณ์เฉพาะของมันใครฝึกฝนคนไหนคนนั้นก็ทําได้ถูกไหมมายากลนี่มีโรงเรียนสอนเลยนะแต่ถ้ามวยยีสานี้ไม่ใช่ถ่ายทอดกันได้นะเออดบีมูซาปับ๊บอา้าวเอาไม้เท้าไปให้อีกคนนึงโยนไม่เป็นนะ่ะมวยยีสานี่คือเป็นเรื่องเฉพาะแต่ถ้ามายากลเนี่ยสอนกันได้ มีโรงเรียนมีอุปกรณ์คุณไปเข้าคอร์สปั๊บกลับมาเล่นให้เป็นสนุกสนุกนะมันก็คือการลเล่นอย่างหนึ่งแต่มันจะมีมยากรอีกประเภทหนึ่งก็คือใช้ใช้แซ็ตเข้ามาเกี่ยวด้วยใช้ยินมาบาังตาอะไรเงี้ยนะซึ่งอันนี้ก็จะเนียนกว่าไอ้อุปกรณ์อีกอ่าคนก็เข้าใจว่าโอ้โหไอ้นี่เซียนที่ไหนได้มันไม่ได้ใช้ตัวมันหรอกมันใช้แซ็ตใช้ยินเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นต้องแยกกัน ว่ามวยีสัตไม่สามารถจะถ่ายทอดได้นบีมูซาถ่ายทอดให้ลูกท่านต่อไม่ใช่น่ยเป็นของใครของมันที่อัลลอฮ์จะให้แต่ละคนแตกต่างกันไปและมวยีสาตอัลลอฮ์สุบฮานาหัวจาราจะให้กับ น, นบีท่านใดเนี่ยพระองค์ก็จะให้ในเวลาที่เป็นสิ่งที่คนในในแต่ละยุคสมัยเนี่ยเขาอะไรเขาสนใจกันอยู่เช่นในสมัยฟิโรจน์เนี่ยแสดงว่า ความรู้เรื่องเซฮิตหรือเรื่องของมายากลเนี่ยเยอะมากอ่ามีมีแพทย์หลายมากในในในอรับเรื่องของบทกรรเรื่องของการสำนวนต่างๆก็เป็นที่แพร่หลายอันอนลอนลอนลอฮ์จึงให้กุรอานเป็นมวยิศาสต์มาตอบโต้นบีอีซาเกี่ยวกับการแพทย์นะคราวนี้หลังจากที่แสดงให้เห็นถึงงูแล้วก็เห็นแล้วก็เชื่อนะว่าเนี่ยฉันเชื่อมูซาแล้ว ป่อเลยไปเลยเอาจ่าฟิตรอุนอ่าจะเอาบันิสรออินไปเลยแต่พอได้สติขึ้นมานั่งบนบันลังแล้วเมื่อกี้ตัวนี่กระโจนออกนอกบันลังใช่ไหมเมื่อกี้หลุดสติหลุดพอกลับมานั่งบนพลังปับ๊บโอ้โหหลงอำนาจอีกแล้วกลับ ข, ขึ้นมาใหม่กอลันม า, มนมาลาอูไอบ้บรรดาคนที่เป็นผู้นำพวกอัมมาดทาฟิตรอนูนยอมปั๊บเนี่ยเดี๋ยวพวกเราเสียอำนาจไปด้วยเหมือนกับ เวลาบริหารนะถ้านายกยุบสภ า, าปั๊บตำแหน่งหลุดหมดเลยใช่ไหม <c oughs> นายกยุบ ป, ปั๊บรัฐมนตรีไปด้วยไม่ได้สิพวกนี้ลูกลูกห่าก็ต้องอย่าลงอย่าลงต้องสู้ต้องหาวิธีสู้กับมูซาให้ได้กอลันมาลาอุมินเก้ามีฟิราอูเนอินนาฮาลาลาซาฮิรุนอาลีบอกเลยว่าที่มูที่ฟิรูนเห็นเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ายี่งงยิสาได้หรอก มันก็คือนักมายากลคนหนึ่งที่แสดงตบตาท่านและซาไฮรุนอาลีมนี่คือพูดที่เป็นนักมายากลที่อาลีมเลยอาเลมเลยเป็นคนที่เรียนมาอย่างสูงเลยเรียนมาอย่างดีเลยยูรีดุไอยุคริยาคุมมินอารดีกุมเขาต้องการที่จะขับไล่พวะเจ้าออกจากแผ่นดินของเจ้าถ้ายอมที่จะให้มูซาไปวันหนึ่งมูซาไปตั้ง เมืองขึ้นมาแข็งเมืองขึ้นมาก็มาไล่พวกเราออกอีกทีนั่นแหละดังนั้นอย่ายอมตั้งแต่แรกถ้ายอมปั๊บเดี๋ยวเราก็จะถูกไล่ออกจากเมืองของพวกเราเดี๋ยวเสียอํานาจกี่พูดถูกเดี๋ยวเสียอํานาจฟามาดาตามูรุนดังนั้นพวกเจ้าจะใช้ให้ทําสิ่งใดถามกลับไปที่ใครถามกลับไปที่พวกอํามาดต่างๆพวกเสนาที่ปรึกษาต่างว่าแล้วให้ถันทํำยังไงดี เออปรึกษาดีมากเลย <laughs> กอลูและพวกเขาก็กล่าวว่าพวกที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่ปรึกษาบอกกับฟินโอนว่าไงกอลูอาร์จีตรงนี้แปลว่าอะไรอาร์จิแปลว่าอัคคีรหูประวิงเวลาแกะเขาก่อนอย่าพึ่งตัดสินใจให้เวลาเขาก่อนอให้โอกาสเขาหน่อยดีมากทีว่าเอาคอหูเล ให้โอกาสใครอีกให้โอกาสน้องของเขาน้องเขาก็คือมูซากับฮารูนขมาคู่กันอ่าเพราะนบีมูซาตั้งแต่เราเรียนเนอะอพูดไม่ชัดเรา บ, บิชลอฮ์ฮีซาดารีเนี่ยอุอา น, นาบีขอให้พูดชัดอ่าลิ้นฟาสเซ่ลิ้นพูดชัดเพราะนบีไปอมฐานตอนเด็กเลยคว้าฐานจริงๆเราไม่คว้าฐานรอกมาลิกับ ให้ควา้าเพราะไม่ยาันดนฟิลโอนมันประหารอมถานเข้าไปเพราะอมถานลิ้นกันเลยพูดไม่ชัดก็เลยต้องให้มีฮารูนเนี่ยคอยพูดด้วยนะก็จะมาคู่กันมูซากับฮารูนเป็นพี่น้องกันนะว่าอารุชิลเล ก, ก็ให้ส่งคนไปส่งคนไปฟิลเมเด อ, อิน แปลว่าตามแคว้นต่างๆเมืองต่างๆที่ท่านปกครองอยู่ซึ่งแน่นอนอีบีมเนี่ยโอ้โหมันใหญ่โตมาโ ห, โโหาวาลกว้างใหญ่ส่งไปทุกเมืองเลยคำว่าฮาชิรีนตรงนี้ <c oughs> คือไปเกณฑ์มาใครที่มีความรู้เรื่องมยากลเรื่องไสยศาสตร์ไปเกณฑ์มาไปรวบรวมมาให้ได้มากที่สุดอ่าคราวนี้พี่น้องคิดว่าพอไปรวมมาได้เยอะไหมโอ้โหเยอะดิ พอเยอะมากเนี่ยมาแสดงทุกคนไม่ไหวหรอกก็ไปคัดกันอีกคัดด้วยนะสมุสดมา ก, กันเนี่ยเป็นหมื่นคนเลยให้เหลืออยู่ไม่กี่คนที่จะเจ๋วเนี่ยอ่าไปคัดอีกเพราะว่าเอามาหมดไม่ได้บางคนก็เพิ่งฝึกมาใหม่ๆยังไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่โยนไปยังเป็นเชือกอยู่เลยคือพวกนี้ใช้เชือกนั่นแหละมันไม่ใช่เป็นอะไรเราเป็นเชือกแต่ใช้การบังตานะ่ะเป็นมายากล ก็คัดมาจนกระทั่งได้นักบยากุลมาและต้องแสดงกลใ น, นลักษณะเดียวกันก็คือเปลี่ยนไม้เท้าหรือเชือกให้กลายเป็นเป็นงูให้ได้ดังในกุรานที่บอกว่าฟันะเตียนนากาบิสะบิเ s ฮรมิสลิดังนั้นเราก็จะนำมาซึ่งเลขกล น, นั้นแก่เจ้าเช่นเดียวกันอันนี้บอกเหมือนกันว่าเจ้าใช้กลเราก็จะใช้กลเหมือนกันพิ่โอนบอก ฟ้าจ عل بيننا و ดันนักฟอันตมาานนวเจ้าจงกำหนดขึ้นระหว่างเรากับเจ้าณนะสถานที่โลกแห่งหนึง่งโดยที่เราจะไม่ผิดสัญญาและตัวเจ้าด้วยมูซากล่าวว่ากําหนดเวลาตรงนี้เนี่ยเป็นการกําหนดวันที่พระเจ้าก็คือวันรื่นเดิงเขากำหนดเป็นวันรื่นเดินมาอิดนะเป็นวันที่รื่นเดิงเพราะว่า เป็นการแสดงต่อประชาชนเลยนะคือให้แสดงต่อหน้าประชาชนด้วยเขากะว่าตัวเองชนะได้โดยที่ประชาชนจะมาชุมนุมกันในตอนสายบอกเลยนะว่าไอยุฮชารันนะซุดุฮาการประลองกันเนี่ยหรือการประชันกันเนี่ยจะเกิดขึ้นในตอนสายฟาตวัลเฟิร์อาอนะฟาจมะไกดฮูซุมมาอตา ฟิโอนก็ไ <filled> ด <beeping> to ้กล um enfin in ับออกไปเพื่อที่จะไปร่วมมือเขาเลยร่วมมือกันวางแผนของเขาตามที่เขานั้นได้นัดหมายเอาไว้หลังจากนั้นยะตูกาบิกุลลิซาไฮดินอาลีพวกเขาก็ไปนํามายังพวกซึ่งมักมายาคนต่างๆว่าจะอัสฮาราตูและบรรดานักมายาคนก็มายังฟิโอน กอลูบรรดาไมายนักมายากลก็กล่าวว่าอันนี้หัวกะทิหมดเลยนะอินนะแลนลาอัจรอนแน่นอนเราจะต้องได้รับรางวัลแน่นอนกุนนันนะนุนกอลีบีนเราจะต้องถ้าเราเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะคือมีรางวัลให้ฟิโอนก็จะต้องตบรางวัลให้นะเขาฟิดโอนบอกว่าใช่แล้วก็ละนามรางวัลนะ่ยมีอยู่แล้วแต่จะมีสิ่งที่พิเศษกว่ารางวัลคืออะไร อินแนกุ้มและมีแนนโมกอสรอบีนพวกเจ้าจะอยู่ในหมู่ใกล้ชิดกับเรางงไหมอันนี้จะได้อะไรด้วยนอกจากได้รางวัลอย่างเดียวได้อะไรด้วยได้ใกล้ชิดก็คือได้มาเป็นตำแหน่งอยู่ใกล้ฟิตอูนตำแหน่งไงได้เขาเรียก อ, อะไรเป็นที่ปรึกษาพิเศษที่ปรึกษากิติมศักดิ์คือคนเราเนี่ยเวลารวยอย่างเดียวเนี่ยพี่น้องมันยังไม่สุดนะมันต้องมีอะไรด้วย ตำแหน่งตำแหน่งนี่เป็นอะไรที่คนอยากคนรวยก็อยากมีตำแหน่งตำแหน่งเป็นสิ่งที่ล่อตาล่อใจดังนั้นฟิตอูนไม่ใช่ให้รางวัลอย่างเดียวให้ตำแหน่งใกล้ชิดด้วยจะต้องมายืนอยู่ข้างฟิต อ, อูนโอยอะไรเออคราวนี้เวลาเป็นที่ปรึกษาสมเป็นที่ปรึกษากษัตริย์ใกล้ชิดกษัตริย์เนี่ยเวลาไปไหนคนก็ต้องโอ้โหเกรงใจไว้นี่มันที่ปรึกษากษัตริย์เฮ้ยใหญ่โตนะอันนี้คื อ, อสิ่งที่อราเล่าได้เล่าเอาไว้ในกุราน อ่านต่อนะโอลูยมูซาอิมมาอตุลกียาวออิมมา و ิ่มั้นนักอุนัหนูอุลมุลกิน ن َ่มั้นนักอุนัหนูอุลมุลกَนกล่าวอั ف ก ل َ م ลม ا สั่ห์รูเอญน์นัสและล้มมาเอลก้าสั่ห์รอญน์นัสวัศรหบุหุมวจั บิษณุรินอُซิมว่าสตาร์ฮะบุห์ฮุวาจาอูบิษณَรินอาซิมว่าอูพยินาอิลามَ ن ْอَ ل อ ق ِกَอาซัก فإذا هي تلقف ما يفقون ف و َ ق ع الحق وبطل َ ما كانوا يعملون. ُ ฟากุลบูนัลิกวั ا กลับบูซายรَนَากุลบูน غ ِิกวันกลับบูซายรินวอลกี้สห ة ร س ตุ ج ِ د ี ي ن َ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ มาดูความหมายนะครับออพอนักมายากลมารวมตัวกันนะก็ได้พบกับนบีมูซ่าและฮิสาลามแล้วก็เป็นการแสดงกลด้วยกับเชือกเป็นที่รู้กันสมัยก่อนเนี่ยไอ้กลงูเนี่ยมันต้องใช้เชือกนะแล้วก็ไม้เท้าของพวกเขาเนี่ยให้กลายเป็นงูบางคนก็ใช้เชือกโยนลงไปบางคนก็ใช้ไม้เท้าแต่ไม้เท้านี่จะยากหน่อย อ่าแต่บางคนก็ใช้เชือกกอรูยามูซาอิมมานะพวกเขากล่าวว่าโอ้มูซาท่านจะโยนก่อนหรือว่าเราจะเป็นผู้โยนก่อนอันนี้คำสนทนาระหว่างเชิญครับเชิญมาจะจบแล้วนกครอ่เป็นคำสนทนาระหว่างอะไร ระหว่างนาบีมูซากับพวกนักบายากลนักบายากลถามนาบีมูซาว่ามูซาจะโยนก่อนไหมหรือจะให้พวกเราทําอ่าพวกเราโยนก่อนนบีมูซา่าหลังจากนั้นเขานาบีมูซาก็กล่าวาาว่าเขาก็คือนบีมูซาบอกว่ า, วากอลอัลกูพวกเจ้าให้โยนก่อนให้ให้เกียรติให้นักบายากลสแสดงก่อน คือพี่น้องครับเวลาไอ้ของจริงเนี่ยให้มาทีหลังมันจะได้เห็นข้อแตกต่างถ้าสมมตินบีมูซายโยนไปก่อนไอ้พวกนี้ไม่กล้ายโยนแล้วไม่กล้ายโยนเพราะด้วยนี้ของจริงอัลละฮฺจึงมีคำสะอามีวาฮีให้พวกนั้นโยนก่อนสแสดงก่อนของปลอมเอาสแสดงก่อนเดี๋ยวของจริงมาทีหลังพวกนั้นก็โยนกันไปกลายเป็นงูเขียวมัง่งงูหลามมัง่งแล้วแต่ฉันก็ไม่รู้งูตัวเล็กๆกันๆๆๆงูเห่ามัง่งไม่รุ่มีงูอะไรบ้างสมัยก่อน ฟะลัมมาอัลกูอขอโทษอัลเก่าครั้งเมื่อเขาก็คือนบีมูซายโยนออกไปพวกคนทั้งอขอโทษทีอันนี้ไม่ใช่มูซาหมายถึงพวกพวกอะไรนะพวกแสดงมายากรโยนออกไปพวกเขาก็โลลวงตาใช้การลวงตาใช้เทคนิคลวงตาสับมือสับเปลี่ยนนะผู้คนอะอยู น, า น, านาั่นนะให้คนเนี่ยมองไม่เห็นลวงตา w h a ตรารบูฮุมวจอูบิสะรินอาิมและทำให้พวกเขากลัวด้วยเพราะมีงูเนี่ยทุกคนก็กลัวอยู่แล้วและพวกเขานั้นก็ได้นำมาซึ่งมายากลอันใหญ่หลวงอายะที่หนึ่งเชิญครับเชิญาลาหเชิญจ่าและเราได้ว่าอยู่มีอา ย, มมมอายะมีเครื่องหมายแกมูซาว่าให้โยนไม้เท้าออกไป นะอัน อ, อัลกีอซอกะโยนไม้เท้าของท่านออกไปอัลลอฮฺสั่งเลยให้โยนไม้เท้าท่านออกไปก็คือนบีมูซาไรกุงขับเขินแล้วทันใดนั้นมันก็กลืนสิ่งที่พวกเขาลวงตาทั้งหมดนะอิมูอั บ, อบบาสบอกว่างูของมูซาได้กลืนกินบรรดาเชือกและทนไม้ของนักมายากลหมดจนกระทั่งอ่าก็คือคือกินหมดเลยตลอดทางเลยที่ผ่านนักมายากลเห็นเช่นนั้นก็รู้สึกว่า นี่มันไม่ใช่กลแล้วมันคืออำนาจที่มาจากฟากฟ้านะและนี่ไม่ใช่มนคาถาอย่างแน่นอนนี่คืออำนาจของอัลลอสซุบฮานะฮุวตาลลฟาวะกออฮักกุและความจริงก็ได้เกิดขึ้นว่าบาตลมากานูยะมารูและสิ่งที่พวกเขาทำก็ตกไปไอมายกลก็ต้องยอมเพราะว่าของจริงมาแล้ว ฟักุลบูฮูนาลิกวันกคลาบูซอกรินและและ้วที่นู่นล่ละและที่นู่นแหละพวกเขาก็ได้รับความแพ้และกลายเป็นผู้ที่ต่ำต้อยหมายถึงฝั่งนู่นนะนักมายากล น, นะว่าอุลกียสฮารอตุซาจีดีนบรรดานักมายากลได้ถูกทำให้ล้มตัวลงกราบยอมรับในความจริง กราบต่อลอสุบฮานหัวตาลาเลยนะและกล่าวว่าเรานั้นศรัทธาต่อพระผู้พภิบาลแห่งสากลโลก<ม>ก็คือรอบบีมูซาวหารูนพระเจ้าของมูซาและฮารูนในรายงานบอกว่าเขาประลองกันในตอนไหนนะจำได้ไหมมิชิสันบอกไปแล้วตอนสาสายพอตกยินนักบยากลทั้งหมดถูกประหารชีวิตหมดเลย อย่ยะต่อไปนะเดี๋ยวเก็บไว้คราวหน้านะอ่าอ่าเก็บไว้คราวหน้านะแล้วนี่คือคนที่ศรัทธากลุ่มแรกนะครับแล้วใช้เวลาเพียงแค่วันเดียวนะเป็นสองสถานะสถานะแรกตอนเช้ายัางเป็นผู้ที่ท้าทายอำนาจของอัลลอฮอยู่เลยพอตกเย็นกลายเป็นคนที่ตายฉฮีดเช้าเนี่ยยังเป็นกาเฟสผู้ง่าย พอเย็นมากลายเป็นคนที่ตายเฉีตดตายที่ดีที่สุดบนโลกนี้คือการตายเฉีตดตายในขนทางของเราพอถูกฟิตอูนมันจับตัดขาตัดแขนแล้วก็เอาไวเอาไปแขวนประจานที่ต้นจะผาลลำนะแต่ถามว่าทำไมทาไมถึงคนเหล่านี้อีหมานมันมีรายงานว่าอัลกอซิมอิบนูอาบีบัซา ได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ได้วายูวะฮีให้แก่มูซายโยนไม้ท้าวเข้าออไปทันใดนั้นมันกลายเป็นงูงใหญ่อ้าปากงับสิ่งที่นักมายากลทั้งหมดเนี่ยโยนลงไปทั้งหมดนักมายา ก, กลก้มลงสู่ยูตอโลไม่เงยขึ้นเลยพอรู้นี่คืออํานาจของอัลลอฮ์ตาลาปรากฏว่าในรายงานบอกต่อว่าขณะที่เขากำลังสู่ยุดลงกราบต่อโลเนี่ยก้มกะก้มสู่ยุดตอโลเนี่ยอัลลอฮ์ทำให้พวกเขาได้เห็นสวรรค์นรกและผลตอบแทน แกชาวสวรรค์และคาวนรกให้เห็นเลยว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าเสียชีวิตไปในหนทางของอัลลอฮ์เลวเขาจะได้อะไรอ่าบรรดานักมายากลจึงตอบโต้ ก, กับฟิรโอลบอกว่าวันนี้ท่านจะทรมานฉันขนาดไหนที่สุดก็คือตายแต่ฉันไปรอรับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ในวันเกียรมะในใ น, ในโลกแนะเพะอรอดจะให้สวรรค์ฉัน แต่ถ้าเกิดฉันทนการทรมานของท่านไม่ได้ฉันก็ต้องไปเจอวันที่ทรมานหนักกว่าก็คือในในวันกิยามัตยอมที่จะโดนทรมานในโลกนี้เพื่อไปรับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ในโลกแนาและก็จะไม่มีการทรมานใดๆแล้วมีแต่ความสุขความสงบสุขความสะดวกสบายนะครับนะทุกอย่างที่เหนื่อยยากลาบากมาในดุนยาทั้งหมดเนี่ยจะแปลเปลี่ยนไปเป็นความสุขทั้งหมดเลยนะไม่มีความกังวลวิตกใดๆไม่มีเรื่อง มาให้เครียดไม่ให้ปวดหัวนะแต่สําคัญก็คือว่าเราจะสอบัตอดทนนะได้ไหมเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พวกเขากลัวเหมือนกันก็คือว่ากลัวว่าความอดทนจะจะมีไม่พอจึงมีดูอาที่นักบรรญักลขอขอให้ Allah เอาล้อนี่ยเทความสอบัตลงมาให้พวกเขาคําว่าเทนี่เป็นไงเทกับโปร ย, เ, ยเหมือนกันไหมรอมัดเนี่ยใช้โปรยนะไอ้ฝนไอ้รอมัดนี่ใช้โปรยนะ อ่าโปรโยแต่เทนี่คือเต็มเต็มเลยเจาะ จ, จ, จงเลยใช้คําว่าเทเลยความอดทนมาที่ตัวฉันหน่อยเพราะสิ่งที่ฉันกำลังจะโดนทดสอบเนี่ยมันหนักหนว่วงเหลือเกินก็คือการทรมานก่อนตายโดนตัดมือตัดแขนทีละข้างทีละข้างตัดสดๆพี่น้องไม่ได้มียายาชานะแล้วก็ไปแขวนจนกระทั่งเลือดไหลหมดตัวไม่ใช่ให้ตายแบบตายเลยนะค่อยๆตาย จากบาดแผลที่โดนตัดมือตัดเท้านะครับอ่ะเดี๋ยวยังมีเรื่องราวอีกเยอะเละแยะเลยนะครับที่เป็นรายละเอียดตรงนี้นะซึ่งเดี๋ยวเก็บเอาไว้ในคราวหน้านะครับเดี๋ยวอาจารย์น่าจะใกล้จะถึงละนะครับแล้วก็พี่น้องก็มาเตรียมตัวกันแล้วนะอ่ายาซากมุลรอหุคอยรอนนะครับบารรอกอลล์นละนะจบตรงรบบิมูซาวะฮารุนเพราะว่าถ้าอ่านตรงนี้ไปเนี่ยต้องประมาอีกหน้าหนึ่งไม่จบยาวมาก นะครับเพราะว่ามันจะมีเป็นช่วงของมันเรื่องมันจะยาวนะ เ, เดี๋ยวแปลแล้วมันจะไม่ได้อัธรนะครับอ่ะสุบฮานะก็รอคุมมบิฮัมดีกาอัลลอฮฺอัลลออิลาฮะอิล่าอันตะอัสตัฟิรุกวะตูบุลไลาะฮ์สลลัลลอฮฺวาลานบีนะมุฮัมมัดวาลาอิมุสซาบีมุสลัมมุลฮัมดีลัยรับมิยาเลมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮวะบระาตุ